พระบัญญัติ285ก็ภิกษุใดนั่งบนอาศนะที่กำบังในทิลับกับมาตุคามต้องอบัตปาจิตตีเรื่องพระอุปนันทะศสักยบุตรจบ